เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24พศภาคมพุทธศักราช2 5 5 1เป็นวันที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญถวายทานมาฟังเทศน์ฟังธรรม มาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการทำนุ้บำรุ ง, งดูแลรักษาจิตใจให้ดีให้ให้สุขให้เจริญเพราะความสุขความเจริญความดีงามของใจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าสิ่งอื่ น, น, นใดในโลกนี้เพราะใจ เป็นประธานใจเป็นใหญ่ถ้าใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีตามไปหมดถ้าใจไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ดีตามไปหมดใจเป็นผู้สร้างความดีสร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความเสือ่อมสร้างความชั่วสร้างความทุกข์ สร้างความวุ่นวายใจต่างๆแล้วใจก็เป็นคู่รับสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ดูแลรักษาใจให้พัฒนาจิตใจให้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้อยู่ในกรอบของความดี ให้อยู่ในกรอบของศีลและธรรมให้อยู่ในการอยู่ในความสงบเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับใจได้นอกจากความดีนอกจากศีลธรรมนอกจากความสงบสิ่งอื่นๆนั้นมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจ ให้กับจิตใจไม่รู้จักจบจากสิ้นดังที่เป็นกันอยู่กับพวกเราอยู่ทุกวันนี้พวกเราไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาจิตใจเราถูกความหลงที่อยู่ในใจหลอกให้เราไปดูแลไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกจิตใจ เพราะความหลงทำให้เราคิดว่าถ้าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีบุคคล น, นั้นมีบุคคล น, นี้ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ไปที่นั่นที่นี่แล้วเราจะมีความสุขเราจึงแสวงหาสิ่งต่างๆหาบุคคลต่างๆแล้วก็เสียเวลาต่อการคอยดูแลรักษาปกป้อง อยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็วุ่นวายทุกเสียอกเสียใจหวาดกลัวกวลกวยไปกับสิ่งต่างๆนี่คือเรื่องของความหลงเป็นอย่างนี้พวกเราทุกคนที่มาเกิดนี้เพราะมีความหลงเป็นผู้พามาอวิชชาปัจจยาสังขารา อวิชาก็คือความไม่รู้หรือความหลงที่หลอกให้จิตคิดปรุงแต่งไปถึงเรื่องราวต่างๆที่จะให้ความสุขกับตงปรุงแต่งว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะมากๆแล้วจะมีความสุขมีสามีมีภรรยามีลูกจะมีความสุขมีเงินทองมียศมีการสรรเสริญ มากๆจะมีความสุขแต่หาเป็นดังที่กิเลสคือความหลงนี้หลอกให้ให้คิดไปนังที่คิดไปเพราะมันกลับเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันคือมันมีแต่ทำให้จิตใจของเราวุ่นวาย ไม่รู้จักจบจากสิ้นเริ่มต้นตั้งแต่ร่างกายมาเลยจิตดวงนี้ก่อนที่จะมาเกิดก็ไม่มีร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรกับร่างกายแต่เนื่องจากจิตยังเป็นจิตที่มีความหลงอยู่ไม่ได้เป็นจิตที่มีปัญญาเช่นจิตของพระพุทธเจ้าและจิตพระอรหันต์ต่างๆเมื่อ ยังมีความหลงอยู่ความหลงก็หลอกให้จิตไปหาร่างกายเพื่อจะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายพอได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องมาทุบ ก, กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ต้องมาดูแลร่างกายอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับก็ต้องดูแลร่างกายด้วยวิธีการต่างๆมีการอาบน้ำอาบท่าเข้าห้องน้ำขับถ่ายมีการหาอาหารหาน้ำให้กับร่างกายมีการสูดอากาศเข้าไปให้กับร่างกายแล้วก็ต้องหาเสื้อผ้ามาสวมใส่ หาที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหาอยู่ขายาเวลาที่เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องมามีความหวาดกลัวกับความเป็นไปของร่างกายกลัวภัยต่างๆที่จะมาลุ่มทำร้ายร่างกายนี้ให้ตายไปถ้าไม่มีร่างกายแล้ว ปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่มีตามมาแต่นอกจากนอกจากมีร่างกายนี้แล้วกิเลสคือความหลงยังไม่พอยังหลอกให้ไปหาความวุ่นวายมาใส่ใจให้มากขึ้นอีกพออยู่คนเดียวก็สร้างความรู้สึกว้าเหวเขาเห็นคนอื่นเขามีคู่ครอง ก็อยากจะมีคู่ครองกับเขาพอได้คู่ครองมาแล้วก็ต้องมาทุกบกับคู่ครองบางทีก็ต้องทะเลาะวิวาทกันเพราะมีความเห็นไม่ตรงกันบางทีก็ต้องมาห่วงเวลาที่ไม่เห็นหน้าเห็นตากันไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีอุบัติเหตุมีภัยอะไรหรือเปล่า แล้วก็ต้องมาคอยดูแลกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยในยามแก่เท่าชราแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องห้าเสีย อ, อกเสียใจเมื่อต้องจากกันไปในที่สุดมีคู่ครองแล้วยังทุกข์ไม่พอยังหาคู่ครองมาเพิ่มอีกหาลูกหาหลานมาเพิ่มอีก กัวจะไม่มีความทุกข์มาแบกกันก็เลยอยู่สองคนแล้วรู้สึกเหงาก็ต้องหาลูกมาเป็นเพื่อนแก้เหงาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับลูกเลี้ยงดูลูกห่วงยวงกวังวลกับลูกเสีย อ, อกเสียใจกับลูกเวลาที่ลูกพูดไม่ดีทาไม่ดี ก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจนี่คือความหลงพาไปพาให้ไปหาแต่ความทุกข์หาความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นและเมื่อตายไปแล้วก็ยังจะไปสแสวงหาร่างกายอันใหม่ต่อไปจะได้ร่างดีหรือร่างไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรม ที่ได้ทำเอาไว้ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจดีใจบุญใจกุศลไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะได้ร่างกายใหม่คือร่างของมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมแต่ก็ยังต้องมาเจอกับสภาพเดิมๆ เ, เจอกับความทุกข <c oughs> ์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายเจอกับการพัดพาดจากกันอยู่ เพราะนี่คือธรรมชาติของโลกนี้เป็นอย่างนี้ถ้ามาเกิดในโลกนี้ก็จะต้องเจอกับสภาพเหล่านี้มีพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์เท่านั้นที่ท่านฉลาดที่ท่านรู้ทันกับธรรมชาติของโลกนี้ท่านรู้ว่ากลับมาเกิดนี้ไม่ดีเลยกลับมาเกิดแล้วถึงแม้จะได้ ร่างกายที่สวยงามขนาดไหนก็ตามได้ฐานะการเงินการทองดีขนาดไหนก็ตามได้ยศได้ตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม mm. ก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าที่ได้มาเกิดเป็นถึงพระราชโอรส mm. มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงาม มียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงส่งมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายมีบริวสัตบริวารมากมายมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากมายแต่พระองค์กับเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันมีความทุกข์ต่าง ม, มานั่นเองทุกข์เพราะเวลาที่ไม่ได้ เสพไม่ได้สัมผัสก็จะมีความรู้สึกว่าเวคนที่มีเพื่อนอยู่รอบตัวมีสิ่งต่างๆดูสิ่งต่างๆฟังสิ่งต่างๆทําอยู่ตลอดเวลาพอต้องอยู่เฉยๆคนเดียวจะทนอยู่ไม่ได้จะรู้สึกว่าเวเศร้าซ้อยงอยเหงาต้องหาคนมาเป็นเพื่อนต้องหาเรื่องนั้นมาทํา ต้องหาสิ่งนั้นมาดูสิ่งนี้มาฟังนี่เป็นความทุกข์ที่ตามมาแต่คนที่ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นปัญหาเวลาที่อยู่คนเดียวเพราะเขาไม่ได้อาศัยสิ่งต่างๆนอกตัวเขามาบำรุงบำเรอมาให้ความสุขกับเขาเขามีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ภายในใจ ก็คือความสงบนี่เองความสงบที่เกิดจากการกระทาความดีต่างๆความสงบที่เกิดจากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสงบที่เกิดจากการควบคุมจิตใจให้รงับดับความคิดฟุ้งซ่านต่างๆความสงบที่เกิดจากปัญญาความรู้ความฉลาดที่เห็นแล้วว่า ไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นความสุขอย่างแท้จริงไม่หลงตามกระแสของคนในโลกที่ยังแสวงหาความสุขต่างๆจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากผลทพะต่างๆจากเงินทองจากวิลาศจากยศจากการสรรเสริญยกย่องสิ่งเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญา จะไม่หลงติดอยู่เพราะเห็นว่าเป็นเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่กลายเบ็ดถ้าไปฮุเบเหยื่อนั้นเข้าไปแล้วก็จะต้องถูกเบ็ดนั้นเกี่ยวคอผู้ใดก็ตามถ้าไปยินดีกับลาบยศสระเสริญสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็จะถูก ลาบยศรเสริญสุขเหล่านี้เกี่ยวคอเอาไว้จะต้องให้ดิ้นรนทรมานอยู่กับการแสวงหาดิ้นรนอยู่กับการดูแลรักษาแล้วก็มาเศร้าโศกเสียใจอย่างที่จะต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปหรือสิ่งเหล่านั้นสูญหายไปนี่เป็นสิ่งที่ปุตุชนอย่างพวกเราทั้งหลาย ไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างพอที่จะเห็นถึงความทุกข์ที่ซ่อนอยู่กับความสุขต่างๆพวกเราเป็นเหมือนกับแมงเม่าที่เห็นแสงสว่างแต่ไม่เห็นความร้อนที่มากับแสงสว่างเวลาแมงเม้าเห็นกองไฟเห็นแสงสว่างของกองไฟ ก็ดีอกดีใจก็บินเข้าหาแสงสว่างนั้นแต่พอบินเข้าไปใกล้แล้วก็ไปเจอความร้อนเผาไม่สามารถหนีออกมาทันก็ต้องถูกความร้อนนั้นเผาตายพวกเราก็เป็นเช่นเดียวกันพวกเราเห็นลาบลดเสริญสุขว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่ง ท, ที่วิเศษ พวกเราจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจแสวงหาดูแลรักษาปกป้องราบยุกสรรเสริญสุขอย่างอย่างเอาเป็นเอาตายอย่างไม่รู้จักหยุดจักหย่อนได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ <c oughs> แล้วชีวิตแล้วจิตใจของตอนนั้นเป็นอย่างไรกับมองไม่เห็น ใจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหน้าตาข่ำเคร่งมีแต่ความเครียดมีแต่ความกังวลมีแต่ความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักว่าตนเองกำลังสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนเอง <Yeah. S 1> เพราะเป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นความทุกข์ที่เผา ออกหัวใจของตนรู้แต่อย่างเดียวว่าเวลามีความทุกข์ก็จะต้องไปหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อปลดเบื่อความทุกข์แทนที่จะปลดเปื้อความทุกข์กับสร้างความทุกข์ให้มีมากยิ่งขึ้นเวลาไม่สบายใจก็ออกไปกินเหล้าไปเที่ยวไปทำตัวเละเทะแล้วก็ทำให้ มีปัญหาต่างๆตามมาเพิ่มมากขึ้นไปอีกอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ต้องออกไปเที่ยวก็ต้องใช้เงินใช้ทองซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อจนไม่มีเงินเหลือจะก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้หาเงินด้วยวิธีสุดเจริจไม่ได้ก็จะต้องไปหาเงินด้วยวิธีทุจริต ปัญหาต่างๆจึงตามมาอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะไม่ดูแลรักษาสิ่งที่ควรจะดูแลก็คือใจของตนกลับไปดูแลสิ่งที่ไม่ควรจะดูแลคือลาบยศสารเสริมสุขต่างๆนั่นเองดังนั้นพวกเราถือว่าเป็นพวกที่โชคดีที่ได้มาเกิดแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ทรงรู้จริงเห็นจริงถึงความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็นำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนให้กับพวกเราได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อพวกเราจะได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงกันเสียทีนอากเรามีโอกาสอันดีแล้ว อยู่ที่ว่าจะเฉวยมันหรือไม่อยู่ที่ว่าเรามีความกล้าหาญพอที่จะสลัดทิ้งความโง่ความหลงความโ ง, ง่เขาเบาปัญญาหรือไม่หรือยังจะยึดติดอยู่กับความหลงความโ ง, ง่เขาเบาปัญญาด้วยการยึดติดอยู่กับลาบยศสระเสริญสุขยึดติดกับบุคคลต่างๆยึดติดกับร่างกายของตน ถ้าตาบดยังยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจไปได้ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปอยู่ดีแต่เราไม่รู้ไม่คิดกันว่ามันจะต้องจากเราไปเราก็ยึดติดมันอย่างมือย่างอย่างหนานแน่นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง โดนที่ไม่รู้เลยว่าความยึดติดนีแลเป็นเหตุที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าลองปล่อยวางได้แล้วจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจนะทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้จากกันร่างกายนี้เราปล่อยได้ในขณะที่มันยังไม่ตายปล่อยได้แล้วมันจะอยู่อย่างไรมันจะเป็นอย่างไร มันจะไม่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราถ้าเราปล่อยไม่ได้ร่างกายนี้จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้เราตลอดเวลาตื่นขึ้นมาพอเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจก็ไม่สบายแล้วเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าจะหนักหรือไม่จะถึงตายหรือไม่นี่มันคิดไปต่างๆนานา ทิไปแล้วก็สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจตามมาแล้วก็ต้องตะเกียบตะกายไปหาหมอตามสถานที่ต่างๆหาหมอคนนี้แล้วยังไม่หายก็ต้องไปหาอีกหมอหนึ่งหาอีกหมอหนึ่งไม่หายก็ต้องไปหาอีกหมอหนึ่งหาหมอไม่หายก็ต้องไปหาวิธีอื่นไปสะดาะเคาะไปหาน้ำมนต์ไปหาอะไรต่างๆแล้วแต่คนจะแนะนำมา ก็ไปหากันเพื่อที่จะรักษาให้ร่างกายนี้หายคืนเป็นปกติไม่ให้ร่างกายต้องตายไปแต่ไม่ว่าจะรักษาอย่างไรหมอจะวิเศษขนาดไหนยาจะดีขนาดไหนก็ตามไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้มันก็ไม่เอาไม่เอาทั้งหมอไม่เอาทั้งยาไม่เอาอะไรทั้งนั้น สิ่งที่มันต้องการอย่างเดียวก็คือโรงศพเท่านั้นเองเป็นที่อยู่ของมันต้องการโรงศพต้องการฟืนต้องการหลุมฝังศพนั่นก็คือที่ไปของร่างกายอันนี้ดังนั้นพวกเราอย่าไปหลงยึดติดกับมันเพราะยึดติดกับมันแล้วทำให้เราทุกข์พุนวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเราตรงได้วางได้จะเป็นอะไรก็เป็น เกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัดพลากจากสิ่งต่างๆเป็นธรรมดาปรองให้ได้สีห้าประการนี้ปรงได้แล้วจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาดูแลมันไปตามอัตภาพตามฐานะของตนไม่ต้องยุ่งยากมากมาย เหมือนกับคนที่มีความหลงวุ่นวายกับการหาเงินเพื่อมาดูแลรักษาร่างกายหมดเงินหมดทองกับการซื้อของฟุ่มเฟือยมาหุ้มห่อร่างกายเช่นเสื้อผ้าต่างๆแทนที่จะใช้เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายก็ต้องเสียเงินเสียทองบางทีต้องบินไปถึงเมืองนอกไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่เพราะเสื้อผ้าในเมืองไทยนี้มันไม่วิเศษพอสำหรับตน มีเงินมีทองมากก็ต้องเสี่ยงภัยมากต้องขึ้นเครื่องบินเวลาขึ้นเครื่องบินก็หวาดกลัวกันมากไม่รู้มันจะลงมาในท่าไหนจะลงมาแบบปลอดภยัยหรือจะลงมาแบบไม่ปลอดภยัยก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องการสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่ตลอดเวลาแต่มองไม่เห็นกันเพราะความหลงไม่ให้มองนั่นเองความหลงให้มองออกไปข้างนอก ให้มองไปหาความสุขต่างๆที่ถูกความหลงปั้นหลอกขึ้นมาว่าไปถึงที่นั่นแล้วได้ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆแล้วจะมีความสุขจะมีความวิเศษแต่มันก็เหมือนเดิมร่างกายมันก็เหมือนเดิมให้เสื้อผ้าดีขนาดไหนติดด้วยเพชรติดด้วยทองมันก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายนี้มันวิเศษขึ้นกว่าเดิมร่างายมันก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนเดิมอยู่ ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลนนี่คือสิ่งที่ความหลงมันจะหลอกให้พวกเราไปทำกันไปสร้างความทุกข์ให้กับเราไม่รู้จักจบจากสิ้นแทนที่จะหันเข้ามาฟังพระพุทธเจ้าฟังพระธรรมคำสอนฟังพร ะ, พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่สอนให้พวกเราปล่อยวาง อ ย, ย่ยาไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่าไปแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่าไปแสวงหาความสุขจากบุคคลต่างๆให้แสวงหาความสุขจากการปล่อยวางอย่ยาไปยึดอย่าไปติดเพราะสิ่งต่างๆที่เรายึดเราติดนี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราทุกอย่างมากมายทุกอย่าง อย่างถอนหัวไม่ขึ้นถอนถอนไม่ขึ้นทุกข์แล้วไม่พอตายไปก็ยังจะต้องไปเกิดใหม่อีกเพราะยังยึดยังติดอยู่กับสิ่งต่างๆอยู่นั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรที่จะมาใข้ครวรมาพิจารณามาสังเกตดูทุกวันนี้ใจของเรามีความสุขมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรเรามีความสุข ทักเท่าไหร่กันวันวันหนึ่งมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นทุกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเพียงแต่ฟังข่าวก็ทุกข์แล้วฟังข่าวว่ามีพายุคนตายเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่สบายใจแล้วฟังข่าวว่าเกิดแผ่นดินแผ่นดินถลน่มแผ่นดินไหวคนตายเป็นหมื่นก็ไม่สบายใจแล้วเพราะมันคอยเตือนให้เราคิดถึงความจริงความตายของเรานั่นเอง ว่าเราไม่ช้าก็เร็วเราก็ยังจะเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราอาจจะไม่ถูกแผ่นดินถล่มอาจจะไม่ถูกพายุแต่เราอาจจะถูกโรคภัยไข้เจ็บหรือถูกความชรามันพัดมันมาทำลายร่างกายนี้ไปก็ได้แต่ถ้าเราพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็คือใจส่วนร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจเพียงแต่มาครอบครองเป็นเจ้าของชั่วคราวเท่านั้นจึงอย่าไปหลงกับร่างกายว่าเป็นตัวเราเป็นของเราต้องปร่งให้ได้ต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่ามันไม่ใช่ของเราว่ามันจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่ง เมื่อเราพร้อมให้มันจากเราไปแล้วเราจะสบายใจเราจะไม่วุ่นวายใจเวล า, าที่มันจะจากเราไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับของที่เราไปยืมของผู้อื่นมาเราก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ยึดติดว่าเป็นของเราเมื่อถึงเวลาเจ้าของเขามาคืนขอคืนไปเราก็คืนให้เขาไป อย่างสบาย อ, อกสบายใจเช่นเวลามีเพื่อนเอาของมาฝากเอารถมาฝากเพราะเขาต้องเดินทางไปต่างประเทศฝากรถไว้ให้เราใช้ได้เราจะขับเจ้ะไปใช้ทําอะไรก็ใช้ได้พอเขากลับมาเขาก็มาขอคืนเราก็ให้คืนไปเพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ของเราฉันใดร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง ที่ธรรมชาติฝากไว้กับเราธรรมชาติคืออะไรก็คือดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ก็ไม่ใช่อะไรก็มาจากดินน้ำลมไฟมาจากอาหารที่เรารับประทานอาหารก็มาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟเมื่อเข้ามาสู่ร่างกายก็มาแปลงสภาพให้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟัน เป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่มันอยู่ไม่ได้มันจะต้องขอกลับบ้านเดิมกลับสู่าธาตุเดิมน้ำก็อยากจะกลับสู่น้ำดินก็อยากจะกลับสู่ดินลมก็อยากจะกลับสู่ลมไฟก็อยากจะกลับสู่ไฟมันก็ต้องไปต่อให้เราห้ามมันอย่างไรขอร้องมันอย่างไร ทำอย่างไรด้วยวิธีใดก็ตามมันจะไม่สามารถหยุดยั้งการกลับคืนสู่ที่เดิมของเขาได้เขาต้องการกลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมของเขาเขาต้องการกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าใจฉลาดใจรู้ทันแล้วใจไม่ยึดไม่ติดใจก็จะไม่เดือดร้อนถึงเวลาไปก็ไปถึงเวลาอยู่ก็อยู่กันไป ถึงเวลาอยู่ก็ไม่ได้ขับไล่สายสงให้ให้มันไปถึงเวลามันจะไปก็ไม่เหนียวรังไว้ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่แหละคือการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับใจของเราสร้างด้วยปัญญาให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การดูแลรักษาใจ ด้วยการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการไม่ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการไม่แสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ให้แสวงหาแต่ความสุขภายในใจเท่านั้นด้วยการทำความดีด้วยการมีความเมตตาการุณาด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการทำจิตใจให้สงบ ด้วยการเจริญปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่องสอนตนอยู่เสมอว่าสัพเพธรมานตตาสิ่งทั้งหลายต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่เรายืมมาเท่านั้นสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเขาไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนลูกไปคืนสามีไปคืนภรรยาไปคืนพ่อไปคืนแม่ไป คืนร่างกายอันนี้ไปคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติถึงเวลาแล้วเขาจะต้องมาเอาคืนไปเราต้องการที่จะให้ร่างกายนี้กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟถ้าใจฉลาดใจรู้ทันใจยินดีให้กลับคืนไปใจก็จะมีความสุขเช่นเดียวกับเวลาที่เรายินดีที่จะให้อะไรกับใคร เวลาเรามีความยินดีที่จะให้แล้วเราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะมีความสุขเช่นวันนี้ญาติโยมมีความยินดีที่จะให้ข้าวของเงินทองนำเอามาถวายกับพระพอให้ไปแล้วแทนที่จะมีความทุกข์ใจกับมีความสุขใจเพราะยินดีที่จะให้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งที่ตอนมีอยู่ ยินดีที่จะให้มาจากตนเองไปนี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงเป็นการดูแลรักษาใจที่แท้จริงก็คือการปล่อยวางการให้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ถ้าท่านทำสิ่งที่ได้พูดไว้นี้ได้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์มาเหยียบย่ำ จิตใจเลยจะไม่มีความหวาดกลัวจะไม่มีความกังวลกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะดีจะเลวอย่างไรก็ตามจะไม่มากระทบกับจิตใจอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจยิ่งกว่าการดูแลสิ่งอื่นๆใดในโลกนี้ขอให้ท่านปล่อยวางอย่ายึดติดกับสิ่งต่างๆ ขอให้สอนใจอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีอะไรเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงนอกจากความสงบของใจเหล่านี้เท่านั้นจึงขอฝากเรื่องราวของการดูแลรักษาใจด้วยการทำความดีด้วยการทำใจให้สงบด้วยการปล่อยวาง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 ทั้งในทางโลกแมไหนทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ